ผลของการยินดีในบาปของผู้อื่นมีแค่ไหนถามผลของการอนุโมทนาบุญหรือการยินดีในบาปของผู้อื่นจะเป็นอย่างไรตอบเอาที่พระพุทธองค์ตรัสเล่าเองนะครับครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นลูกชาวประมง เห็นคนทั้งหลายฆ่าปลาแล้วเกิดความโสมนัสคือชื่นชมยินดีในบาปของผู้อื่นเกิดอากุศลจิตประกอบด้วยโสมนัสด้วยวิบากแห่งกรรมนั้นทำให้ชาติสุดท้ายพระองค์ต้องปวดพระเศียรขณะที่เจ้าสกายะญาติพระองค์ถูกไล่ล่าฆ่าฟันอีกเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกพระอานุรุธทธเทระได้ถามนางเทพธิดาตนหนึ่ง ซึ่งมีผิวพรรณงามยิ่งรัศมีส่องสว่างสวัยเรืองรองไปทั่วทุกทิศว่าเคยทํากรรมอันใดมานางตอบว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์นั้นได้เป็นสหายแห่งวิสาขามหาอุบาสิกาผู้สร้างมหาวิหารถวายสงฆ์ซึ่งนางเพียงเห็นมหาวิหารแล้วก็มีจิตเลื่อมใสอนุมโมทนาและเพียงเพราะการอนุมโมทนาด้วยจิตบริสุทธิ์แต่อย่างเดียวเท่านั้น ก็ได้ผลคือวิมานอัศจรรย์อันเป็นที่รักแล้วขอให้ทราบด้วยว่าผลแห่งความดีที่ทำเป็นประจำนำนางมาเกิดในสวรรค์แต่เฉพาะวิมานอันงามแปลกนั้นเป็นส่วนที่ได้จากการอนุโมทนาประการเดียวสรุปแค่จากสองตัวอย่างข้างต้นนี้คือการยินดีในบาปและการเลื่อมใสในบุญของผู้อื่นนั้น อาจให้ผลใหญ่หลวงอย่างคาดไม่ถึงสิ่งที่เราเห็นว่าเล็กน้อยนึกว่าเป็นเรื่องขี้ประติว๋วหรือทึกทักเอาเองว่าแค่คิดอยู่ในใจคงไม่เป็นไรแท้ที่จริงอาจเป็นเรื่องคอขาดบาดตายและคะเนยากว่าจะให้ผลเมื่อใดคราวนี้ขอยกตัวอย่างในสิ่งที่เป็นปัจจุบันเห็นได้ทันตาในคอลัมน์เตรียมสเสบียงไวเลี้ยงตัว ซึ่งเพิ่งลงในบางกอกฉบับที่ 2,418 นี่เองคงจำได้ว่าผมขอให้ทุกคนทดลองตั้งใจรักษาศีลข้อแรกไม่ประหัตประหารสิ่งมีชีวิตแม้ยุงสักตัวให้ได้หนึ่งวันกับทั้งขอให้ทำจิตอนุโมทนาปราบปลื้มยินดีที่จะมีผู้อ่านได้ตั้งใจร่วมกันเป็นจำนวนมหาศาลเท่าที่ฟังเสียงจากหลายคน คือรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นจริงขณะมีจิตเริ่มใสในการร่วมรักษาศีลข้อแรกนั้นบางคนเห็นผลทันทีเช่นเป็นภูมิแพ้จมูกตันอยู่ก็กลับโร่งโล่งเป็นที่น่าอัศจรรย์มาลองใหม่อีกทีก็ได้หลายคนที่ฟังพุทธพจน์แล้วเริ่มเห็นคล้อยตามว่าถ้าทางบุญกรรมจะมีจริงกรรมที่ให้วิบากเป็นสุข และการที่ให้วิบากเป็นทุกข์น่าจะไม่ใช่เรื่องหลอกทาจิตเข้าไปในความจริงว่ามีคนจานวนมากเริ่มซาบซึ้งและศรัท ธ, ธาในพระพุทธเจ้ารู้ทางถูกทางตรงละทางผิดทางพลาดหากเกิดความปราบเริ่มยินดีในความจริงนั้นจะเหมือนตาสว่างขึ้นมาชั่วขณะหนึ่งและหากจดจำความรู้สึกตาสว่างดังกล่าวไว้ ก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตนเองในระยะยาวคือจากที่เคยรู้ทั้งรู้ว่าเลือกอะไรด้วยความเขา่าเหมือนมีฝ้าหมอกหนาทึบมาบดบังปัญญาต่อไปก็จะเหมือนฝ้าหมอกนั้นเบาบางลงและพร้อมจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องได้มากขึ้นการอนุโมทนาบุญก็ดีการชื่นชมบาปก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นการเพราะมาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีความเลวนั้นๆ ลงในจิตวิญญาณของเราฉะนั้นถึงแม้ไม่คำนึงถึงผลอันเป็นรางวัลหรือโทษทานกระทบตัวก็ขอให้คำนึงถึงแนวโน้มทางนิสัยว่าจะต้องเป็นไปในแบบนั้นๆด้วยพูดง่ายๆว่าความยินดีในกรรมใดๆที่ผู้อื่นประกอบขึ้นนั้นถ้ายกระดับขึ้นเป็นความติดใจแล้วลราก็หวังได้เลยว่าไม่ช้าก็เร็ว คุณจะต้องก่อกรรมประการนั้นๆด้วยตนเองอย่างแน่นอน